หายไปห้าวันวันนี้กลับมาแล้วเ ท, ทสเตุเินก็มีการปฏิบัติธรรมกันมากันห้าสิบคนติดตัวละกันตาางก็เหลืออยู่สี่สิบค น, นช่วงนี้ก็ตั้งใจกันดีไปยกมือสร้างจังหวะอย่างเดียวเลย สร้างที่ปฏิบัติเหมือนกับโรงงานแต่ว่าพร้อมห้องน้ำเป็นร้อยห้องห้องครัวพร้อมสะอาดสะามีความเรียบร้อยสูงแลว้วก็ในหอประชุมก็ะจุกได้มากไม่มีต้นเสาสักต้นในของเราเล็กๆยังมีต้นเสาเก ก, กะอันนั้นกว้างพื้นที่เป็นสองสามไร่ ข้ในไม่มีเสาสักต้นออกแบบอย่างดีก็เห็นสถานที่ดีแบบนั้นก็ไม่ควรไปทำอะไรควรบอกเรื่องกรรมฐานแล้วก็พากันทําเลยไม่เกี่ยวกับเด็กไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นอยากว่าถ้าเราปฏิบัติเ่าจะได้คาตอบครูบาอาจารย์ก็ตอบแทนไม่ได้<ม>เพียงแค่ให้แนวทางชี้นำพากันทํา ต้องทำเอาเองให้มาที่สุดจนจนมาได้คำตอบในใจของตัวเองเด็กบางคนก็มาเนี่ยคยเข้าอแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์ใช้ได้จริง mm hmm. ก็มาเองไม่ต้องให้ผู้คอมาอยู่เป็นเพื่อนมีอยู่ mm hmm. ก็ถือว่าได้ประโยชน์ทีเดียว mm hmm. ในวัดนี้ถ้าได้เคยได้ยินว่า มาเพราะว่าต้องการทำพระนิพพานให้แจ้งตัวเองละพูดคนหนึ่งละกับหลวงพ่อวันแรกที่เข้ามามันมันเหมือนกับมีการท้าทายกันแบบมันม้วนนิ่มแล้วมันจริงคนมีความทุกข์มาทำอย่างนี้แล้วไม่ทุกข์มันจริงหรือแต่เราก็ได้สัมผัสมาบ้างแล้วว่ามันจริงนันมีแค่นี้หรือการเคลื่อนมือรู้สึก จิตปกติไม่แค่นี้หรือมันมีอะไรกว่านี้อีกไหมคำว่ากลางๆมันคิดวางแล้วมันวางกันไที่เราปฏิบัติการในรูปแบบนอกรูปแบบเวลาเจอเผชิญการลมรอย่างนะี้คนที่สองที่ยินว่าทำพระนิพพานให้แจ้งแมชีหลีที่บวชห้ว่าคํานี้แหละต้องการทําพระนิพพานให้แจ้ง มันสะดุดหูหลายคนที่มาไม่คมีใครกล้าพูดคำแบบนี้คนที่สามที่ยินที่นั่งในนี้ก็อาจารย์สมใจบวชมาได้ประมาณสี่ห้าเดือนมันเหมือนก็เด็ดขาดมันเด็ดละขาดมันสลัดในสิ่งที่มันควรยึดอย่างเงี้ยในค น, น, นอื่นก็ติดหนึบอย่างเงี้ยเราก็คลายจ า, างๆแล้วมันก็หาย จะรู้สึกว่าเออไอสิ่งนี้มันมีคุณค่าสูงสุดแล้วล่ะเราใช้กําลังเดินทางเป็นไงกําลังเดินทางกับมักไงภาวะผู้ดูไงสภาวะที่เห็นอารมณ์ต่างๆอยาบไปาหาเลยอย่เห็นทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์จากห ย, ยาบหยาบไปาหาเลยอย่อะไรตัวอยาว่าบความโกรธไงหยาบโทสะโทโส โ, โมโหหงุดหงิดพวกนี้นปฏิฆะเริ่มต้นมันเกิดมายังไง มันจะเห็นโทสะก่าวลาวลาแสดงออกไปทางวาจาบางทีแสดงออกไปแล้วกึบอา้าวไม่น่าพูดเลยบางทีซัดกันไปแล้วอา้าวไม่น่าเลยลงไม้ลงมือเข้าไปแล้วหรบางทีคิดเข้าไปแล้วอา้าวนี่มันมนโนกรรมเมนี่ยผมก็เห็นอย่างนั้นตัวหยาบสุดละเอียดสุดเป็นยังไงล่ะอยงเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่ภาษาพูดเราต้องเจอกันเอาเองแล้วกันแต่ว่าคําตอบอยู่ที่การเคลื่อนมือนะ การเดินจงกลมนะแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้อไปทำอย่างอื่นก่อนทำอะไรกับงานการมากมายก็ไปทาเนี่ยเต็มโลกและชั่วทำดีชำระจิตก็ไปทาสิถ้าดียังไม่พอก็ไม่หายสงสัยเหมืงยังคาใจอยู่ในเรื่องของดียังไม่เต็ ม, มบารมียังไม่เต็มยังมีไม่เต็ ม, มทานก็ยังไม่เต็มก็ต้องทาต่อไปแบบนี้ น, นนะ แต่อั้นี้ว่าเรามาเป็นแล้วไหนที่ว่าหลวงปู่เทียนชี้เด็ดขาดนะเด็ดขาดตรงไห น, นตรงที่ว่ามักเคลื่อนมืออยู่สองวันนะท่านเองนะนะเดินจงกรมย ก, มยกมไม้ยกหม่อมเห็นความคิดนะมันรู้เท่ารู้แทนจะเห็นความคิดตามความเป็นจริง มันเกิดกึ้นมาผักหลังหลวงพ่อเทียนในความเสื่อมผักหลังเห็นความคิดก็เห็นทุกข์นั่นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องที่สมมติบัญญัติมันก็ชัดอยู่ตรงนั้นนะปรมัดถาสภาวะก็ชัดอยู่ตรงนั้นถึงตรงนั้นก็เรื่องของใครของเรามันได่เกี่ยวกับใครเลยมันเกี่ยวตัวเราเองกับตัวเราเองนี่แหละจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะทําอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของความเมตตา คิดไดเมตตาพู ด, ดเมตตาทำไดเมตตาต่อหน้าและรับหลังมากกว่าเรามีปัญญาแก้ไขปัญหาตัวรอดกันไปวันวันเป็นปัญญาแล้วนะที่ว่าใช้สมมติบัญญัติให้ถูก ก, การแก้ปัญหาต่างๆมากมายเพราะว่าร้อยคนร้อยความคิดร้อยคนร้อยเรื่องหรือว่าเราเรื่องเดียวนี่แหละแต่ว่ามันมาซ้ําๆหลายครั้งวน กายเป็นลมตกคร้างทพาะนั้นการเคลื่อนมือเ น, นี่ยต้องเคลื่อนให้ได้คําตอบนะเดินย่างกงก็เหมือนกันให้ได้คําตอบไนปะไดนะ้ภาวะความเป็นปกติจิตความเป็นกลางกับความสมดุลรู้สื่อๆรู้เฉยๆในภาษานี่มันคืออะไรภาษาคนแต่เป็นภาษาธรรมภาษาการที่เราจะได้สัมผัสที่ตัวเราเนี่ยแหละเห็นเรากาลังคิดกําลังพูดกำลังทําด้วยความเป็นปกติไม่ปกติอย่างไร เป็นคุณธรรมเป็นกุศลธรรมเป็นอาคุศลธรรมอย่างไรไงมันเป็นการตามใจเริ่มเป็นเหตุปัจจัยอย่างไรไงตัว น, นี้ละมันจะเป็นเสรีภาพเป็นอิสระภาพนชีวิตแบบเหนือทุกยังไงเหนือโลกยังไงเหนือธรรมยังไงมันมีอยู่ที่สุดของธรรมมันมีอยู่ความไม่เป็นอะไรมันมีอยู่ ม, มันไม่ใช่เรื่องเล่นลน อยู่กันไปวันๆทำอะไรกันไปโดยที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเดินไปทิศทางไหนเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วมันต้องหลุดพ้นนะจะหลุดนิดๆหน่อยๆหยาบๆมันก็มีหลักการหลักเกณฑ์ของมันมีกรอบการที่การวัดมีศีลมีวินัยมันก็มีกันอยู่ความเป็นปกติจะระดับไหนสมมติแล้วปรมัจิตมันมีกันอยู่ คราวนี้เห็นแม่ชีหลีกลับมาแล้วนะครทราบว่าได้ไปหาอาจารย์ที่สำนักหนึ่ง mm hmm. เป็นพารลุปหนึ่ง mm hmm. ก็ถือว่าปฏิบัติดีปฏิชอบนะท mm hmm. ่าที่ฟังชื่อเสียงมา mm hmm. อยากแบ่งปันนิดหนึ่งนะในเรื่องของ mm hmm. การที่ mm hmm. กขพูดถึงเรื่องการวางใจนะ mm hmm. กขพูดถึงเรื่อง การเข้าไปเราเป็นสมถะถ้าทําเป็นสมถะไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยออกมาก่อนทํางานทําการก่อนอะไรหรือว่าถ้าทําเป็นแล้วก็ลองทํางานไปแล้วก็สังเกตไปอะไรถ้าที่เคยได้ยินได้ฟังถือว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวเชิญพูดให้ญาติโยมฟังนิดหนึ่งพระนิดนิ ด, นดนหน่อยหนตามสมควรแก่ธรรมแก่โอกาสกราบนมันสการพระคุณเจ้าค่ะ สวัสดีเพื่อนแม่ชีแล้วก็ญาติทรรมทั้งหลายคะ่ะก็ได้ไปที่โคราชนะคะที่นั่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นการภาวนาอยู่จุดหนึ่งแต่ว่ า, เ, าเจ้าสำนักที่นั่นเนี่ยท่านจะถนัดในเรื่องของการแก้เพ่งอะคะ่ะก็หลักการของทางที่นั่นที่ใช้ในการแก้เพ่งกับ เ, เขาก็จะแตกต่างกันออกไปเช่น ท่านจะพยายามใหเ้เราภาวนาโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างเช่นจะไม่เดินจงกรมท่าเดิมๆซ้ําๆเพราะว่าการเดินท่าเดิมๆซ้ําๆเนี่ยบางทงพอจิบมันดูบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะเคลื่อนเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะหรื อ, อาบางทีก็จะมีการกระทบตามส่วนต่างๆของร่างกาย คือเขาเน้นการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะอย่างเอหรือบางครั้งก็จะให้เดินในบริเวณที่ทางเดินจงกรมแตกต่างกันออกไปตัวเนี้ยมันค่อนข้างสำคัญเคยเคยสังเกตเห็นว่าบางคนทำแล้วเนี่ยได้คุยกับเพื่อ น, นักปฏิบัติเนี่ยบางคนทำแล้วก็คือหลุดออกจากอาการนั้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีเหล่านี้ยังแก้ไขไม่ได้ก็ให้ออกมาทางา น, นะคะ่ะ ออกมาทํางานเพื่ อ, อไม่ต้องเข้ารูปแบบไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งจิตเป็นปกติแล้วก็ค่อยกลับมาภาวนาเหมือนเดิมค่ะโดยที่หลักการภาวนาของเขากับทางสุกโตก็เท่าที่เคยศึกษามาก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะอย่างเช่นอของเขาเนี่ยจะภาวนาแบบว่าเปลี่ยนแปลงจุดกระทบต่างๆไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ แต่กลับมารอบที่แล้วหลวงพ่อคำเขียนก็สั่งแม่ชีแก้กรรมฐานหลวงพ่อคำเขียนไม่ให้ทำอย่างนั้นหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าให้รับรู้อยู่ที่จุดจุดเดียวโดยที่ไม่เพ่งไม่จ้องค่ะก็ก็ตรงนี้ก็มีความแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละคนเป็นยังไงแต่ถามว่าลองลองทาดูแบบสไตล์ของทางที่นั่นแล้วเนี่ยอืม มันจะง่วงน้อยลงแล้วก็ส่วนจิตตื่นเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วอะค่ะคือเหมือนกับว่าทำอย่างนั้นก็ตื่นได้ทำอย่างนี้ก็ตื่นได้ถ้าทำเป็นแต่ทำอย่างนี้ถ้าเกิดคนทำไม่เป็นเนี่ยมันจะเข้าเข้าไปเพ่งไปจ้องง่ายแต่ถ้าเกิดคนทำเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้อะค่ะคือมันจะเห็นมันจะเห็นความรู้สึกตัวอยู่ที่หนึง่งแล้วก็ใจยอยู่ที่หนึง่ง ถ้าเกิดคนทําเป็นคือเมื่อก่อนเคยทําตามสไตล์นี้ตามสไตล์ของทางสุก็โตอยู่แล้วเนี่ยมันจะเห็นใจมันเข้าไปยืดแต่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันทําเป็นไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยใจมันก็ปล่อยวางได้การปล่อยวางที่ที่เคยทําตอนอยู่สุก็โตก็พบการปล่อยวางอยู่4แบบมันแล้วแต่แต่ละคนเอาไปใช้ะคะ่ะอย่างเช่นปล่อยวางแบบที่1ก็ สอนมันก็คือเราสังเกตเห็นว่าความรู้สึกตัวมันมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูใจที่มันเคลื่อนไปดูอะ่ะมันมันไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องกลับสู่ที่เดิมค่ะแบบที่สองก็คือใช้สมาธิช่วยแบบที่สามก็คือเราเป็นผู้ปล่อยวางเองกับแบบที่สี่ก็คื อ, เ, อ, อเห็นใจมันปล่อยวางเองค่ะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคอนเซปต์ที่นู่นที่นี่บางอย่างเนี่ยพอภาวนาถึงจุดจุดหนึ่งมันเหมือนการ วิธีการภาวนาก็มีความแตกต่างกันในส่วนนี้เขาเน้นการเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าเขากลัวลูกศิษย์ของเขาเนี่ยไปไปจมแช่อยู่กับสมถะามากเกินไปเพราะว่าจิตที่มันเข้าสมถะามากเกินไปเนี่ยมันจะออกจากอารมณ์ได้ยากบางคนเข้าสมถะามากเกินไปแล้วมันไปยึดแน่นมากเกินไปคือคือก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าโดยโดยหลักการคร่าว บางจุดไม่ตรงกับที่หลวงพ่อสอนนะคะก็ไม่มีอะไรก็ก็คงต้องต้องถ้าเกิดใครสนใจก็ก็ลองดูค่ะวัดท่านอยู่ที่โคราดอะคะ่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติเนกาละมิตรสำคัญเพื่อนาละมิตรนะที่ กล้ายๆก็ว่าเคยเดินเส้นทางนี้จนจำนานแล้วค่อยกันก็คือลองสังเกตดูใครครวนแยบคายหันกลับมาดูอาการเวลาทำแต่ละขณะแต่ละขณะสุกีม้มันมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งวันอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้อยู่ในรูปแบบทั้งวันบางทีเราก็ไปทานอาหาร บางทีเราก็อาบน้ําแปลงฟันดางทีเรก็พับผ้าซักผ้าตากผ้าเก็บเสื้อผ้าอนะไรงบางทีเราก็ถือล่มกลางล่มบาทีเราก็หยิบรองเท้าใส่รองเท้ามันมันเป็นกิยาการทั้งวันที่มีมากมายทีนีก็หยิบหน้ามาเดิมอะไรเนงะี้ยเคยสังเกตอยู่ครั้งหนึ่งนะเคยเดินแล้วก็ติดอารมณ์โกรธอย่างแากอารมณ์มโกรธติดมากๆ มัน o n t r สายจัลลิแล้วแรงขอให้ได้ทํแต่ไนก็คือมันใช้แล้วนะมันใช้อำนาจมันมีอานาจแล้วมีอิทธิพลแล้วเราก็าตามเขาถือว่าเออได้ทาแล้วก็สบายใจมันใจมันคลายก็ติดนิสัยยังไงไหมโทรสายจัลลิศเรียกว่าคาไดอยากไม่ได้ก็แล้วัแบบนั้นนะแต่ว่าตอนหลังพอมาฝึกกนได้เห็นมันกลับเป็นประโยชน์นะมันเข้าย่าง่ก็ออกงมันเข้าจริงก็ออกจริงๆว่านั้นใครอารมณ์แรงนะชัด ใครตามมีทุกข์มากๆชัดยังไงก็ชัดเพราเวลาเราปกติมันก็มีเวลาที่มันความคิดเกิดขึ้นมาแล้วก็หลงเข้าไปในความคิดไปปรงุงซ้ำๆไอ้ตัวนี้ตัวจริตนิสัยจนมันเห็นแล้วเห็นอีกมันสัมผัสมันทุกข์แล้วทุกข์อีกมันออกมาแล้วออกมาอีกเงนี้มันก็เริ่มที่จะเห็นสังเกตมันเลือกเป็นอยู่ หรือบางทีมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้สังเกตหรอกแต่ว่าอาการเกิดดับมันเกิดขึ้นมาตามกฎของธรรมชาติเรารู้สึกสบายวันวันรู้สึกสบายอย่างไม่มีสาเหตุบางทีไม่ต้องมาแค่เดินออกไปนอกวัดนะมันบึ้บขึ้นมาเลยสบายเนื้อสบายตัวแต่พอเข้ารู้ว่าอันหนักอีกแล้ก็สังเกตอยู่นานทีเดียวเฮ้ยมันเกิดอะไรทาไมสถานที่ไม่เหมือนกันอารมณ์ไม่เหมือนกันบางทีในะแอบเดินไปนอกวัด เก็บอารมณ์นะแอบเดินไปแล้วสังเกตเดินเพื่อที่จะสังเกตเฮ้ยทำไมมันเดินบางงีมันสบายมัเกี่ยวกับต้นไม้เหรอความโล่งเหรอหรือมันอะไรกับมันเนี่ยบางทีก็เดินไปหลังวัดไปป่าโยคานู่นไปฝั่งนู้นสบายมาใหม่ๆมัรู้มันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยไม่รู้หรอกแต่เพียงแต่ว่าเรามาเห็นเครื่องไหนว่ามันมีการกลับไปกลับมาปรับไปปรับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้มันก็จะสนุกตรงเนี้ยเนี่ย การเดินในที่ซ้ำๆในกระจิงจะเข้าในทื่อจิตมันจะจมแช่มันจะคลายกันวันละบางทีไปอาบน้ำมาคลายฟึ๊บเอาอสบายใจมันไม่ถูกไม่ผิดไอ้ตัวนี้คือประสบการณ์ธรรมาลัยสังเกตบ่อยๆอาการต่างๆที่มันแน่นมันเหมือนกับว่ามันมีน้ําหนักมันเหมือนกับวันแสดงอาการที่มันเด่นออกมา มันรู้สึกได้ ค, ความรู้สึกตัวเหมือนกันแหละแต่การที่มันไปแช่เนี่ยตรงนั้นอุปท า, านมันเป็นอุปท า, านเราก็ไม่รู้หรอกอุปท า, านคืออะไรแต่ว่าพอทําไปนานๆห น, นึ่ปีสปีสปีสิปีเป็น10ปีอ๋อไ อ, อตัวนี้อุปท า, านเนี่ยรู้ลนะ้มันจะเรื่องอะไรก็ตามมันจะก็คืออุปท า, านนั่นแหละเยี่ยมเพียบแตะแช่ตรงไหนไปยึดตรงไหนนานแค่ไหนตรงหน้าหลวงป่อเตียนใช้ก็ว่ากี่วนันกี่เดือนกี่ปี ลงนรกกี่วันกี่เดือนกี่ปีอารมณ์ค้างก็คือลงนรกแต่เป็นไฟลบนะขึ้นสวรรค์กี่วันกี่เดือนกี่ปีนี่ก็คือไปติดงักอยู่ไฟเบวกโอยตรงนี้นี่เองแต่เปิดเปิดล่งล ง, ลงไม่มีอะไรมันก็มีอยู่ตัวมันหายมันหายตัวมีมอยู่มันเหนือความคิดไปอีกเพราะนั้นการสังเกตนี่สำคัญ ที่บุคคลก็เหมือนกันตรงที่เรากเกี่ยวกับข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมพวกนี้นใช่ไหมอนอะสวดมนต์ทำวัดเรื่องที่ไปถือบาตรเดินบาตรตักอาหารอะไระนะอารมณ์มันแตกต่างกันเกิดอยู่กับกรรมหรือการกระทํากําลังทํากุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลธรรมทำํทำยังไงหลวงพี่อะไรบอกว่า ให้รู้กำลังทํำรู้ว่ากําลังทําอยู่กายกาลังทําอะไรใจกําลังทําอะไรวาจากําลังพูดอะไรจิตกําลังคิดอะไรเห็นทำอ๋ออย่างนี้นาะแตก็จึงว่าตรงนี้มันเป็นคําตอบที่ต้องอยู่ในตัวเราปฏิบัติหนึ่งวันสองวันหลายวันมันต้องมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไว้บ้างหรอกที่สำันที่สุดก็คือพอเรากลับมาสัมผัสรู้กระทบรู้ความรู้สึกเนี่ย อั น, นี้เราคือหลักใจที่ดีมากๆไม่ว่าจะเข้าไปยึดในความรู้สึกที่ฐานกายรู้จะออกมาจากฐานกายได้คุณทั้งหมดไม่เป็นโทษเลยแต่ถ้าเม่อไราคุณเข้าไปในความคิดนะแต่ความคิดนะโอ้โหตัวนั้นอันตรายฮะเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าตัวคิดเนะี่ยลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะความรู้สึกขณะคิดเนะี่ยเป็นยังไงเราไม่เคยรู้มาก่อน มันก็จะมีแต่หลงเผลอจมบุกวนแนบแน่นแล้วก็เป็นมายาภาพนีแล้วเราก็เชื่อมเป็นตัวเป็นตายเลยคิดรู้อย่างเงี้ยโอ้เราไม่เคยรู้ทานความคิดอย่างเงี้ยมาหลงคิดว่าลูไงเราไม่ใช่รู้ว่าเราหลงคิดอยู่มันมันตรงนั้นเลยอะสัมผัสกระทบรู้รู้สึกได้ตัวกายจึงเป็นประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งร่องนะ ควคิดนี่ไม่เขา้าใจเลยทั้งขึ้นทั้งล่องนะขณะปฏิบัติเนี่ยออกมาสัมผัสรู้สัมผัสรู้เป็นสมถะที่กายก็ยังถูกให้เครื่องหมายถูกไว้เลยเพอาะกายไม่โกหกตรขขงนี้สําคัญเมื่อยันก็บอกว่าเมือ่อยมา น, นั่งไม่ไหวกายมันก็บอกว่านั่งไม่ไหวมันก็หายน้ําคอ ม, มันก็แห้งก็บอกเป็นอาการเลยเราเห็นเป็นอาการเลยฝึกดูเป็นอาการเลยมันร้อนก็ร้อนจริงๆเียแสบผิว มันเย็นมันก็เย็นจริงๆลมพัดมากระทบมันก็กระทบจริงๆแต่เวลาคิดไม่จริงเลยฮะมีแต่สมมุติมีแต่สมมติคิดแล้วโลภและกวนล้วหลงก็ไปกันใหญ่เลยนะพระดัหนหลงประเทียนยิงเด็ดขาดว่าให้ออกมาจากความคิดทั้งหมดก่อนเบื้องต้นแต่ถ้าจะทํางานคิดเข้าไปเถอะคิดแล้วทางานคิดเข้าไปนะก็เคยตอนครั้งหนึ่งคิดทํางาน โอ้โหอารมณ์เหมือนโยมเลยตอนปฏิบัติการอารมณ์แบบเหมือนกับเป็นนักปฏิบัตินะมันแยกแบบนั้นเลยนะพอออกมาทำป้ายหน้าวัดนะ่ะมันทำํำน้อยากให้เสร็จเลยเนี่ยพอนั่งทําแล้วมัมีอารมณ์ทํางานสนุกสมัยก่อนเป็นงานชิ้นแรกะงานชิ้นนี้ไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตก็คือทําตัวหนังสือแล้วก็ทําโดยเหตุโดยปัจจัยที่ว่า สมมติว่าเราไม่มีอะไรเลยแล้วดูว่าเหตุปัจจัยที่ให้เราทํานะี่คืออะไรถ้าเราเกิดเราทําตามใจก็แน่นอนแล้วก็ต้องเอาเงินแล้วก็นั่รถออกไปแล้วก็ซื้อวัสดุข้างล่าง <c oughs> ก็ลองดูว่าในที่นี้นกระบวนการปัญญาจะจัดสรรให้เราอย่างไง <c oughs> ไปเจอโฟมมันปิ้งขึ้นมาเลยมันคิดได้ยังไงไม่รู้วันตอนนั้นเราทำบล็อกเลยเอาโฟมเนี่ยมาตัดเป็นตัวหนังสือแล้วเทปปูนใส่ไปเลยตอนนี้ก็ได้ตัวหนังสือแล้วถูกๆ เสริมเหล็กหน่อยก็ได้มันเคยมีความรู้แบบนี้มาแต่ในการมาปั้นตัวหนังสือนี่ไม่เคยเจ้า ต, ตัวแบบไหนดีมันก็คิดเลยนะเอาตัวแบบไหนเฮ้ยธรรมดาไปทําแบบตัวราชการเหรอเอหนะึ่งไรซหนึ่งไรเอฟรอจุา์าเฮ่อธรรมดาไปหันว่ากั้นนี่มันเมืองอีสานนี่เมันก็ควรจะเป็นตัวอะไรสักอย่างที่มันเป็นเฉพาะเฉพาะโบราณโบราณแล้วมันคิดแบบนั้นไปปัญญามันเดินแบบนั้นเอาสีาสัจจนาลายไหมอย่างเงี้ย ตัวสีสัจจะอะไรมันเป็นยังไงตัวสีสัจนาะอะไรเฮ้ยมันมันเป็นตัวทั่วๆไปมาประดิษฐ์เองดีไหมอะไรเงี้ยลองทำดูซิมันก็ไปอย่างั้นก็พาไปพาทำเหตุปัจใจพาทำมันก็รู้สึกว่าทำแล้วก็มีความสุขอย่างมากเวลาปฏิบัติแล้วเราได้ทำงานอาสุกสุ ข, สขจิตเป็นบุญอารมณ์บุญมาเลย แล้วก็ไม่อยากไปยกมืออยากจะทํางานให้เสร็จแล้วทำแล้วก็เหมือนกับว่านั่งปวดหลังปวดเอวปวดอย่างมากเป็นคนที่ปวดหลังเก่งแล้วพอได้มาตั้งใจว่าจะมาวัดเพื่อพักนะฟื้นฟูกายใจให้มันแข็งแรงแล้วก็มาทํางานอย่างนี้โอ้มาตั้งตแต่เช้ายันมืดสนะี่ห้าท่นะนั่งทำํำนะนะประดิบประดอยทำไม่อย่างนั้น ก็เห็นอารมณ์แล้ว อ, อารมณ์แบบโยมยนะโยมทําดีเป็นอย่างนี้นี่มันก็เห็นอารมณ์บุญ mm hmm. นะอารมณ์บุญก็คือมันขยันเห็นนั่นอยากทําเห็นนี่อยากทําให้นั่นนั่นบุญแล้วมันก็จะทําตามใจตัวนี้สําคัญข่าวเนี้แล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวทําตามความคิดไปแต่ถ้าเรารู้แล้วว่านี่คือเจตนาจะต้องทําเจตนาคิดเพื่อจะทำก็ทํา ทำเสร็จแล้ววางหยิบมาใช้ใช้เสร็จแล้ววางมันจะรู้ว่ากลับมาคืนสุสภาวะปกติของจิตตทำยังไงอ่อนมาสกเกตได้ละมันจะทําแบบวางบางไม่ทํายึดเอาความสําเร็จแล้วกูต้องดีต้องชมว่ากูทำดีต้องช่วยชมกันหน่อย ว, ว่าเราเก่งอะไรเงี้ยถ้าเป็นยมยมจะคิดแบบนั้นทันทีเนต้องทําดี แล้วก็ต้องดีด้วยนะมันจะวางไม่เป็นพอเห็นว่าวันนั้นมันทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงสี่ทุ่มเอาก็แล้วเสร็จมันเสร็จมันแล้ววันนี้วันต่อมาก็เลยวางทำเล่นๆไปเอาเรื่องของการเคลื่อนการไหวและอารมณ์ปกตินะเป็นหลักนะก็มาตรงกับที่เห็นหลวงพ่อเขียนท่านแสดงออกวันหนึ่ง คำตอบไม่เห็นครูบาอาจารย์ท่านตอบด้วยการกระทาว่าทําสํานักงานเนี่ยหลวงพ่อเขียนท่านเป็นคนวางแผ่นปูนท่านยกมายกแผ่นมันหนักนะแต่ท่านยกแบบวางฮนะสังเกตจากกล้ามเนื้อของท่านไม่เกร็งเลยท่านจับแบบวางวางปกตีนธรรมจะเกร็งเนี่ยเกร็งก็คือทุกข์ ก็เข้าไปแล้วเป็นสถาฐาเรียบร้อยแล้วต่นี้วางๆผิวปากเล่นสบายๆทำงานเหมือนนั่งร้องเพลงทาเพลงเล่นเบาๆแล้วเสร็จแล้วก็วางแมะ้ปกติวิชาช่างต้องได้ดิ่งได้ระยะได้ระดับได้ฉากท่านไม่ได้คำ น, นึงแล้วันนี้วางแม้โอ้นี่ทําแบบเนื้อสมมติเนี่ยนะอีกแผ่นนึงก็วางแม้แเราก็หลวงพ่อทำงานมาเรื่อยนะหยาบหน้าดูนะคิดในใจ เรก็ไปถามหลวงพ่อเอางนี้เลยหหลวงพ่อเพืว่าไงหลวงพ่อทำงานนะเอาแค่ 20% เอนท่านั้นแหละเราฟังเข้าใจเลยปิงเวลาทำงานนะใส่ใจเงไป็นในงานนะประมาณ 20% ที่เหลือนำะมาใส่ใจกับกายกับใจของตัวเองเนี่ยที่เหลือ 80% อย่างเงี้ยอีก 20% ก็คืองานก็ทำท่าทีดมันทำได้ะ แต่หลายคนทำยังอันมาไปทำตัวหนังสือตอนนั้นจับได้แล้วทำงานแบบติดดีต้องดีต้องร0อยเซมันก็เลยแตกต่างตอนหลังพอสังเกตได้จับอรมตรงนี้ได้ก็เลยเอาวางใครๆวางใจกลางกลางแต่วเวลาจะรวยก็รวยเหมือนกันแต่รู้ว่ากำลังจะรวยเพื่ออะไร ยัมีเปนึ่งต่อสลาหอไตนะ้ต้องรีบรุยเพราะฝนมันตกหนักแล้ววันออกภาษาจะมาถึงทอดกรถินจะมาถึงใครจะว่ายังไงไม่สนใจเลยทําด้วยความอยากทํำด้วยความอะไรไม่เกี่ยวคือตั้งใจว่าควรเสร็จไม่งั้นจะเละเทถนนหนทางก็เลยเห็นว่าที่เละที่สุดกายเป็นดีที่สุดใเส้นแข็งแรงลงหินไว้หนาท่างกายบป็นธรรมนรู้ว่าชีวิตของเราในเวลาเจออะไรที่มันล้มเหลวจิตใจมันโลเลแล้วก็ คิดไม่ออกบอกไม่ถูกตรงนั้นเราคือจุดเข้มแข็งเวลาไปปฏิธรรมเหมือนกันตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนตรงนั้นคือจุดเข้มแข็งสังเกตได้เลยทําแล้วมันไม่ให้เรายกเนี่คืออะไรมันจะมีอยู่ทุกคนนะนะต่อให้บอกว่ายกมือเก่งขนาดไหนเดินจงกมเก่งขนาดไหนต้องมีเวลายหยุดแน่นอนนะเวลาเปลี่ยนวยชาบทจะมีแน่นอนตรงนี้นนะแล้วกลายเป็นจุดที่เข้มแข็งเมื่อเราสังเกต อย่างไปที่สุรินครั้งเนี้ยนะก็พยายามไปแก้แก้จุดหนึ่งให้ก็คือแก้ลักษณะของเวลาเขานั่งแล้วเจ็บปวดเมื่อยอย่างเงี้ย น, นะเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาเมื่อยมันเป็นลนักษณะของธรรมชาติของกายสัญญาณชีพของกายสัญญาณภัยของกายมันบอกเช่นเวลาไอ ก, ก็นเหมือนกันมันก็บอก สัญญาณภัยของกายว่ากายมันมีภัยอย่างไรอาตมาก็เหมือนกั น, นเวลามันเห็นสัญญาณพวกนี้มันก็จะรู้ว่าจะผ่อนกันยังไงหรือจะหยิบมาใช้ยังไงไอ้ตัวนี้มองเห็นว่าเป็นตัวปัญญานะมันไม่ใช่ปัญหาแล้วมันไม่ใช่อุปสรรคด้วยล่ะแต่ว่าจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมานนก็ไปแก้เวลาปวดเมื่อนยนะญาติโยมใครปฏิบัติแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวทนามันแสดงออกมา เดินแล้วก็เมื่อยเจ็บหลังเจ็บเอวอะไรเงี้ยนะสังเกตดูถ้านั่งเมื่อยแล้วจะลุกขึ้นยืนนะหลวงปู่เทียนบอกว่าให้เราเนะี่ยลุกขึ้นเป็นจังหวะอย่าลุกแบบพวดพลาดยืนขึ้นอย่างเงี้ยให้ลุกแบบเป็นจังหวะอาจมาก็ต่อยอดให้อย่างนี้ว่าอย่างสมมตินั่งแล้วปวดเนี่ยนะให้จังหวะที่หนึ่งนะลุกขึ้นไปก่อนอันนี้ทําให้ดูด้วยอย่างเงี้ย พอเราลุกขึ้นมาแล้วเราก็สังเกตทันทีว่าเวทนากขเป็นไงบ้างจากเมื่อกี้ร้อยปเซนตะมันลดลงเท่าไหร่สังเกตเลยนี่คือจังหวะที่หนึ่งนะอ่ะมันยังคาอยู่ค้างอยู่ะลองจังหวะที่สองจังหวะที่สองนี่แต่ว่าพอจังหวะที่สองก็ลองยกมือไปด้วยนะก่อนนี้ท่านั่งแล้วก็เรายกมือสิบี่จังหวะนะพอเราอยู่ท่านี้เราก็ยกมือสิบี่จังหวะหลังจากที่สังเกตแล้วว่ามีอาการปวดเมื่อยและโดนคลายลงอีกกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วอ่ะ ขอภัยก็ยืนอย่างเงี้ยเมื่อกี้อยู่ฐา น, นี้นะเราก็ยืนอยู่ท่า น, นี้เราก็ลองยกมือต่อเราก็ดูมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะเห็นแล้วพระไตรลักษณ์ที่แสดงกับเวทนามันเกิดดับด้วยแต่ว่าเราตอนนี้อาศัยเอียบทช่วยอยู่คือเลือดลมมันไม่เดินเราขยับช่วยมันก็เดินก็สบายใครทุกข์ทุกไกลนันต้องผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขให้เขาอันนี้คืออันดับที่หนึ่ง อันดับที่2ก็คือจิตของเราเนี่ยสติมันไม่พอมันเข้าไปยึดในเวทนามันเข้าไปคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่แม่ชีหลีบอกว่ามันใช้สมาธิในการไล่ในการขม่มตัวสมาธิคือจะไปจี้จ้องกับเวันาแล้วมจะมีปฏิฆาเกิดขึ้นมาคือไม่พอใจที่เจ็บไปไปมันเหมือนกับพอไล่ไปได้แล้วคราวนี้เก่งความเก่งจะเกิดขึ้นมาไปนั่งแข่งกับลเนี้ยกับคนอื่น กลายเป็นอัตราตัวตนมันต่อกันไปเงี้ยนะแต่ว่าพอเราสังเกตบ่อยๆแล้วก็ขยับเป็นจังหวะจังหวะถ้าเดินเมื่อยแล้วก็นั่งเงี้ยเป็นจังหวะเป็นจังหวะแต่ที่สกันก็คือใส่การเคลื่อนไหวไปด้วยเออวันนี้ก็สังเกตว่าเวลาเราถามก็เนี่ยพูดคุยสอบอารมณ์เนี่ยก็จะบอกว่าก็ทาอย่างเงี้ยแล้วก็เออแปลกดีมันปฏิบัติแล้วมันสนอกอุกนะมันทําได้เราเห็นในตัวอาการที่เป็นทุกเวนาในชัด เวทนาหมายถึงสุขถึงทุกข์นั่นเองนะเราตัวชีวิตเนี่ยมันมีกายมีใจทุกคนนะนะแล้วเราเอยอะเป็นเราด้วยกายเราขาเราแขนเร า, า, เราตับม้ามปอดอะไรของเราหน้าตาของเรานะพอเราปฏิบัติไปวฏิบนะัตเอ๊ะมันมันเหมือนกับไม่ใช่แล้วนะมันเป็นดุจก้อนอะไรบางอย่างกายคือก้อนธาตุอะไรมันจะสัมผัสได้เี่มันบอกไม่ถูกบางข้าญชาไม่ได้กายขอยงเราแล้วสัญญาณภัยก็มีอย่างเช่นสุขทุกข์นะเจ็บปวดเมื่อยพวกนะี้หิวกระหาย เย็นอ่อนร้อนหนาวอะไรพวกนี้มันมีอยู่เราก็อ่านมันออกก็เริ่มอ่านโจทย์ตัวนี้ออกแล้วก็ผ่อนคลายบรรเทาอันนี้หนึ่งต่อมาก็คือพอเรานึกถึงว่าเกิดเราไปห้องห้อง IC เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีภัยขึ้นมาป่วยจนกระทั่งต้องนอนนิ่งๆจนเป็นแผลกดทับอย่างเงี้ยแล้วขยับไม่ได้มาเลงในกระดดเงียเราเห็นคนหนึ่ ง, งก็เป็นเงนี้แล้วเราไม่โวยตายเหรอเงี้ย แล้วยิ่งเวลาพยาบาลเอาสายยางมาแย่ทักชั่นมั่งหรือว่าเว้ยสารพัดอ่ะมันไม่เจ็บปวดทุนทุราลเอออะไรเงี้ยเพราะนั้นฝึกให้มันทุกข์มากๆมันยาการของซาดิสแต่หมายถึงว่าเราจะได้มีประสบการณ์มีความชำนาญแล้วเราก็จะเห็นว่าเออาไตรักก็ไปเที่ยงนะอาการเจ็บปวดเนี่ยมันจะหายไปถ้าสติเราเรามีกำลังนมันก็จะหายไปเอออย่างนี้มก็มีเหมือนกัน ถึงทำไม่ได้ทุกครัง้งบางครัง้งบางคราวเราได้เห็นมันก็รู้สึกว่ามีมีกำลังใจนะหมายถึงว่ามีการพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้นไอ้ตัวจิตคิดนี่ ง, ง่ายที่สุดเลยตัวจิตคิดเนี่ยพอเรามีสติปั๊บมันจะไปรู้ทันจะไปจัดการของมันเองเลยเราไม่ต้องคิดว่าวางวางวางไม่ต้องไปคิดวางเลยนะเพรา้มลุยแล้วอันนั้นคือความคิดนะใหม่ใหม่มีสติเห็นกายอย่างนี้นทำไปทําไปโอ้ มันเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายแล้วเวทนาเกิดขึ้นในจิตด้วยอันนี้ตัวอย่างต่อมาคือมันเห็นจิตเวลามันคิดขึ้นมาแล้วชอบหลงเผลอเข้าไปชอบหลงเผลอเข้าไปมันเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยต่อมามันเห็นสติที่ออกมาจากรูปธรรมนามธรรมเลยมันเป็นสติที่ออกมาแล้วสติรู้สติอาการปกติมันเด่นมาไอ้ตรงนี้แหละที่เรียกว่าจะทําอะไรก็ทนะําเถอะจะทําในรูปแบบจะทํานอกรูปแบบ จะทำในวัดจะทำนอกวัดทําในสถานที่ทํานอกสถานที่ในหน้าที่การงานการใช้ชีวิตแ ต, ตื่นยันหลับนะมันได้คําตอบทีเดียวนะตรงนี้ก็คือจุดที่มันได้กําไรของชีวิตเรานะได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาเจออะไรก็เรียกว่าผ่านได้แต่มันผ่านโดยข้างในของเราไม่ต้องไปทุกข์กับปัญหาเหล่านั้นนะแต่ปัญหายังไม่ได้แก้หรอกมันยังมีอยู่เหมือนเดิมมากมายเหลือเกินแต่ว่าข้างในเราไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น เพราะนั้นการที่เรามีกัญนะยานามิตรนะีอันนีส้สุดยอดเลยนะครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงนะโอโ้ไปหาพาตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ไปจะมีการพูดกันว่าพระก็ตามถ้าไปนอกวัดนะเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานนะไม่ต้องบอกใครสักคนเดียวครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปบอกใครไปเลยถ้าไปเพราะว่าจุดประสงค์นี้นะพรามีกัญยานมิตรที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีไม่ต้องบอกกัน แล้วก็ท่านรู้แล้วให้กลับมาบอกกันด้วยตัวนี้สำคัญอยู่นี่โนสนนัิการนะนอกจากเราจะมีครูบาจาร์แล้วบางทีท่านก็รู้หรือว่ารู้ไม่จริงอะไรก็ตามเถอนะที่กันก็คือเรารูนะ้ในสิ่งที่ท่านบอกมากน้อยแค่ไหนนะหรือในสิ่งที่อยู่ในพระสูตรต่างๆนะที่เราสวดมนต์กันเนะี่ยพาราฮาเวมันจขันธานันะเป็นแค่คำสวดหรือเปล่าขันห้าเนะีนะ่ยรูปขันมันคืออะไรนะเรารู้จักหรื อ, อยัง สัญญาขันคืออะไรรู้จักหรื อ, อยังปฏิบัติธรรมเวทนาขันรู้จักหรื อ, อยังมันคืออะไรสังขารละขันนั่นคืออะไรเราต้องรู้จักเลยนะอาการพวกนี้ก็คืออาการของรูปธรรมนามธรรมนั่นเองตอนนี้เรายกมือนันมีอยู่แล้วรูปธรรมนามธรรมมันถึงเป็นรหัสที่หลวงพ่อเทียนท่านท้าทายและเราหลายคนก็ได้ยินได้ฟังมาก็ไม่ใช่คําแค่อวดอ้างหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อ เมื่อเราลงมือมาทําแล้วนะสัจธรรมก็ย่อมปรากฏแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติสําหรับคนที่ตั้งใจปฏิบัติทั้งวันมันต้องมีแน่นอนนะนะก็เพื่อได้ฟงังเพื่อที่จะให้เหมือนกับว่าได้ยินได้ฟังเอาไว้เป็นพหูสูดแต่ว่าท่านจะเชื่อไม่เชื่ออันนั้นเป็นเรื่องที่ท่านมีวิจัยยาณอยู่แล้วนะอันนี้นะ แต่วันนั้นวันนี้เห็นว่าสมกตุเวลาเรากราบาพระพร้อมกัน